อาจารย์ถ้าจะถามว่าที่พระอาจารย์ให้เจริญสติคือเพื่อให้รู้ทันว่าในในในจิตเรามันเกิดเรขึ้นเ่เราต้องพิจารณาด้วยแยกแยกไหมคะว่ามันคืออะไรบ้างถ้าพิจารณาจะกลายเป็นสมถะถ้าแยกแยกสอนใจตัวเองทำได้จะให้รู้ว่าขณะนั้นกำลังทำสมถะมีถ้ามีคำบรรยายขึ้นมาเป็นการคิดทุกครั้งที่คิดไม่ใช่รู้เข้าใจหมไอ้ตอนรู้เนี่ยรู้เฉย ถ้าเริ่มคิดเมื่อไหร่มีการปรุงเป็นคำพูดขึ้นมาในใจการปรุงคำพูดขึ้นมาในใจเนี่ยมันไม่ใช่มาจากความรู้จริงเป็นการสอนใจตัวเองด้วยคำพูดมันต้องรู้ยังไงคะรู้เฉยเฉยนะ ร, รู้สึกว่าน่ารักขึ้นมาเนยนะรู้ทันว่ามีความพอใจนี่ใช่ได้แต่ตอนที่ว่า น่ารักมากเลยดูสิขาวจมูกโดงนะ่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยปรุงนี่ปรุงเนี่ยหลงไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเป็นความรู้สึกไงรู้สึกพอใจเนี่ยเป็นความรู้สึกไม่มีคําพูดก็ได้แ ต, แต่มีความรู้สึกว่าพอใจเราก็ยังไม่รู้ว่ามันดีที่ดีหรือว่ามันอะไรยังไงใช่ไหมคะ หรือคือไม่ต้องแยกแยะว่ามันราคะมันจะเป็นอะไรที่มไม่ต้องพูดก็ได้ ไ, ไม่ต้องพูดก็ได้ <seus> เห็นหน้าแล้วมีความรู้สึกนี้ขึ้นมารู้ทางความรู้สึกที่เกิดขึ้น <S <S แต่จะจะพูดส่วนใหญ่แล้วจะมีคําพูดมาบรรยายว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องห้ามในในขั้นต้นๆนะกว่าจะกว่าจะหยุดพูดในใจได้เนี่ยนานมันจะมีเฮ้ยเมื่อกีเ้เผลอรักเข้าไปแล้วประมาณเนี้เห็นแล้วก็เคลิ้มไปแล้วประมาณนี้เมื่อกี้มีราคะ จึงมีกรรมฐานที่เรียกว่าโกรธหนอโลภหนาเนี่ยไอ้ตอนโกรธเนอโลภเนาะเนี่ยพนจากขณะ ท, ที่รู้ไปแล้วไอ้ตอนที่มาบรรยายว่าโกรธเนาะเนี่ยเป็นคําพูดไม่ใช่ขณะ ท, ที่รู้ขณะ ท, ที่เห็นแล้วเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจขณะนั้นมีตัวรู้คือมีสติแล้วมีคําบรรยายมาทบทวนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอันนั้นเป็นคําบรรยายแต่ตอนขณะ ท, ที่บรรยายในใจเนี่ยขณะนั้นไม่ใช่รู้เป็นเป็นคำบรรยาย จิตที่รู้ในแว บ, บเดียวรู้ปุ๊บดับด้วยใครดับมันดับมันเองทางานเองแล้วพอมีการเรียนรู้อย่างนี้จิตมันชอบไปจะชอบไปสรุปสรุปว่าเมื่อกี้รู้อะไรมันก็บรรยายขึ้นมาว่าอ๋อเมื่อกี้ราคาแต่ตอนบรรยายเนี่ยไม่ใช่รู้เป็นการทบทวนเฉย แ ล, แล้วถ้าเราเกิดไปคิดตว น, นแล้วเราเป็นบรรยายนะตอนนั้นคือหลงไปแล้วไหมะไม่เป็นไรตอนนั้นยอมนะอย่าไปห้ามมันนะให้มันบรรยายไปรู้ทันว่าเมื่อกี้แต่รู้ว่าเมื่อกี้ที่บรรยายเนี่ยไม่ใช่ขณะที่รู้อืมไม่ใช่ขณะที่รู้ตอนรู้เนี่มันบรรยายไม่ทันขณะที่รู้น่ยบรรยายไม่ทันเลยมันแว บ, บเดียวให้รู้อย่างนี้นะไม่ต้องไปห้ามตอนบรรยายด้วยนะแล้วห้ามบรรยายเนี่ยเครียดเครียดเลยเพราะมันเป็นธรรมดาของจิต มันเห็นไปแล้วเนี่ยมันมันอยากจะสรุปว่าเมื่อกี้คืออะไรเหมือนเหมือนจะรายงานเจ้านายอ่ะก็ะต้องส่งเปเปอร์หน่อย <laughs>